ถามว่าวิธีปฏิบัติทำให้ใจสงบจากนิวรณ์ห้าทำไมจึงได้ยากนักต้องฝึกหัดอบรมภาคเพียรพยายามมีสติไม่ทรงใจไปคิดถึงอย่างอื่นและต้องอยู่ในที่สงัดด้วยกว่าจะสงบระงับได้ตั้งหลายหลายปีส่วนใจที่ประกอบด้วยนิวรณ์ห้านั้นไม่ต้องฝึกหัดอบรมก็มีขึ้นได้อาศัยเหตุปัจจัยอะไร จึงได้เป็นเช่นนั้นขอท่านทรงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจในเรื่องนี้ตอบว่าอนุสัยและสังโยชน์ที่ยังละไม่ได้นั้นเป็นกิเลสวั์เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏป่ายอากุศลคือนิวรห้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำใจให้เป็นสมาธิจึงต้องอาศัยสติ และวิริยะคือความระวังอย่างแข็งแรงถ้าเผลอสติหรือขาดวิริยะไปเวลาใดก็เป็นโอกาสที่จะให้นิวรห้าเกิดขึ้นครอบงำใจได้อีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงไม่แล้วไม่เสร็จเพราะไม่ได้ละอนุสัยและสั่งโยช์ให้หมดไปจากสันดานผู้ถามกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นวิธีปฏิบัติทำใจให้เป็นสมาธิเหมือนพายเรือทวนน้ำพอเผลอสติหรือขาดความเพียรเข้าเวลาใดก็ไหลไปทางเก่าคือนิวรห้าเพราะใจที่อยู่ในสมาธินั้นเป็นแต่สงบนิวรเอาไว้ยังไม่ได้ละให้หมดไปด้วยอำนาจอริยมรรคบรรดากิเลสที่เป็นเหล่าอนุัยและสังโยชนจึงเป็นปัจจัยให้เกิดนิวรห้าขึ้นได้อีก ว่าถูกแล้วพระอริยาสาวกตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปได้ละสังโยชน์ให้หมดไปตามกำลังแห่งข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพระนิพพานของท่านจึงง่ายเหมือนพายเรือตามน้ำฉะนั้น